ก็ตั้งไม่เป็ น, ปนบอกรานะ้านเนาะมีก็ บ, บางทำกันสักหน่อยเลยนี่มีของดีนะก็โชว์อขออวดสักหน่อยเรามีอาชีพ เรียกว่ากรรมฐ า, านที่นี่จเจริญสติกันสิ่งที่เราเห็นสิ่งที่เรามีมีกับท่านแล้วแต่ท่านยังไม่เห็นก็ได้เราเอากายเป็นนําลาเอาใจเป็นตําลามีสติเป็นนักศึกษากายใจนี้เป็นตะ ก, กัศิลา เป็นแหล่งศึกษาชั้นอุดมถ้าศึกษานอกกายนอกใจไปหรือว่าปฐมหรืออนุบาลก็ได้เราจะมาเรียนตรงนี้กันเลยลดๆจะหน่อยแล้วก็ไม่ยากมีสถติเห็นกายที่มันเคลื่อนไหวของจริงเลย เวลาเรายกมือขึ้นเราก็รู้เพื่อนไว้ไปมาเรารู้ทันทีที่จะรู้ให้เอาจะรู้เป็นหลักเอาไว้จะรู้ร่างกายเป็นภาวะที่ดูมันเป็นดวงตาภายในรู้เห็นไม่ใช่คิดเห็นเป็นภาษาที่ ไม่มีคําถามถ้าคิดเห็นแล้วยม่มีคำถามแต่อรู้เห็นพบเห็นเนี่ยไม่มีคําถามเลยเห็นกายเคลื่อนไหวไปมาเห็นจิตใจที่มันคิด <c oughs> นั่การคิดเป็นการเคลื่อนไหวของจิตการเคลื่อนไหวของกายคือเจตนาเคลื่อนไหวยืนเดินนั่งนอนคูเหยุยดเคลื่อนไหว อันนี้ต้องเจตนาหาเรื่องที่จะรู้ให้มันมากมากเข้าย่ออยู่นิ่งขยันรู้ในว่าภาวนาเป็นเห็นกายแต่ว่ากายไม่ใช่จัตุกคนตัวตนเราเขาตัวเห็นจะเป็นตัวชี้แจง เห็นกายตามกวเป็นจริงเห็นกายเห็นเป็นรูปก็เห็นเป็นสุขก็เป็นกูเป็นสุขเป็นทุกข์ไม่ใช่เห็นกายเข้าไปไปหลงอยู่ในที่นั้นแล้วไม่ได้ศึกษาถ้าเราเห็นเนี่ยศึกษาทันทีตอบได้ตั้งแต่ทีแรกถ้ามัหลงก็รู้นั่นตอบแล้วถ้ามันรู้ก็รู้นั่นถือว่าตอบแล้วได้เลย ถ้ามันสุขรู้อ่นใช่ได้เรียว่าศึกษาแล้วถ้ามันสุขไปสุขไม่ใช่ไม่ใช่เห็นยังเป็นยังไม่ผ่านเลยสุกแล้วสุกอีกทุกแล้วทุกอีกใช่ไม่ได้ถ้าเห็นอันสุกอ่าเห็นอันทุกเห็นอันเห็นเป็นภาวะอันเดียวนี่เป็นหลัก เห็นเห็นว่ากายสภาวกายไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเห็นอย่างนี้ว่าวิปัญนาลุ่งอรุณขึ้นมาบ้างแล้วเห็นกายถ้าเห็นเป็นกายธรรมนาไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเห็นธรรมชาติสู่ธรรมชาติถ้าเห็นเป็นตัวเป็นตนเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นไม่ใช่ธรรมชาติ ไม่ใช่กายธรรมดาไม่ใช่รูปธรรมดาเป็นอุปทายลกรูปเป็นรูปที่ยึดตัวว่าตัวว่าตนเข้าไปก็เป็นพบเป็นชาติอยู่กับสุขกับทุกข์ได้สุขทุกข์เป็นพบเป็นชาติของอุปทายลือกร่ปรูปที่เป็นรูปมหาพูตธรูปธรรมดาไม่เป็นสุขป็นเป็นทุกข์ดอกเป็นธรรมชาติ เป็นแบบไม่มีตัวไม่ตนหายไปเลยอันที่เป็นสุขเป็นทุกข์เอาตรงนี้ให้ดีๆหน่อยเวลาเราศึกษาเบื้องต้นถ้าไม่ผ่านตั้งแต่เบื้องต้นมันก็มันก็กอาจจะหลงอยู่เรื่อยๆไะจึงทำให้ชัดเจนแม่นยำสักหน่อยอะไรตรงมันหลงให้มันรู้อะไรมันสุขวันทุกข์ให้มันรู้ ามันรู้ตรงที่ ม, มันสุกทุกมันมีความรู้อยู่วนความสุกความทุกบนความหลงบนอะไรต่างๆมีความรู้ก็ไปอยู่ตรง น, นั้นด้วยนี่เดี๋ยว่าศึกษาถ้าไม่หลงถ้าไม่รู้ก็ <c oughs> ไม่ได้ศึกษา <c oughs> เป็นภาษาโนกแก้วโนขนทองไม่ไม่แตกแานมันเป็นของง่ายๆถ้าทําถูกถ้าทาไม่ถูกก็ อ๋อโผ ล, โลๆ่ๆเปย์กันไปมาเราเลือกสิ่งของเลือกเข้าปลูกเลือกข้าวพันถ้าดูดีๆตั้งแต่ตีแรกก็มันก็ติดตาเราได้ที่เป็นวัตถุมันตาภายในถ้ามันดูดีๆมันก็ติดได้ไม่หลงตรงที่มันเห็นหรอกถ้าดูไม่ดีก็หลงตรงที่มันเห็น ไม่เข้าจะเข้าไปเป็นนาทีถ้าเป็นล้วหลงหลงที่มันเห็นถ้าเห็นแล้วเห็นแล้วดูเฉยเฉยไม่ได้หลงตรงนี้นั่นก็ติดตาตาลาของามาเมเราศึกษาเรื่องสมุนไพรอะโรต้นพยาลากดำ พยาละดําอาจจะเหมือน ก, นกับต้นอื่นได้ถ้าดูไม่ดีถ้าดูดีๆมันต่างกันอยู่ถ้าเราดูแบบมัวม่วไม่ต่างกันต้นอะไรก็ไม่ต่างกันเลยได้ว่าไม่ชัดเจนไม่แม่นยําไม่ทําให้แช่งอาจจะทําให้หลงด้วยถ้าทําให้แช่งก็จับได้แต่ทีแรกแล้ว เราดูอะไรก็เหมือนกันศึกษาอะไรก็เหมือนกันไม่ใช่อันดูแบบนี้ไม่ใช่สมองไม่ใช่สมองดีอะไรเป็นการชัดเจนแม่นยำแบบสติไม่ต้องใช้หัวคิดเหตุผลนันไดเป็นการรู้ซื่อๆมันหลงก็หลงซื่อๆไม่มีรสไม่ีชาติ มันรู้ก็รู้ซื่อๆมันสงบก็สงบซื่อๆมันพุ่งซ่านก็พุ่งซ่านซื่อๆตัวรู้มันเป็นอย่างนั้นถ้ามันสุขก็สุขถ้ามันทุกข์ก็ทุกข์มันรู้กเป็นตัวรู้มันหลงเป็นตัวหลงมันไม่ซื่อๆมันก็มีรสชาติว่าจิงใดมีรสชาติก็ย่อมเสพติดกับรสชาตินั้นจนเป็นจริตนิสัยไปนี่การศึกษาชีวิตเราเอาให้ดีๆสักหน่อย ก็จะได้ผ่านไปหมาก็เราผ่านไปตรงไหนเอาไว้หลังเดินผ่านบ้านนั่นบาง น, นี้เอาบ้านนั่นไว้หลังถ้าเห็นที่ใดก็คือบ้านนั่นอยู่ตรงนั้นได้เห็นหลวงตาเดินทางกัหลังพ่อใหญ่เลวพกรมถามพระกรมถึงไหนแล้วหลวงพ่อไม่รู้ <laughs> เวลาเขาโทรมาถามถึงไหนแลวหลวงพ่อไม่รู้เลยตอบมาได้เลยคนที่ถามก็ไม่ได้คำตอบถ้ามีปัญหาอะไรเกิดขึ้นทำไงนร้ะเราจึงผ่านให้มันชัดเจนเราดูกรุงเทพผ่านตรงไหนเราเดินทางจากาสาอารีธรร ม, มไปองค์พราวนจุฬามันผ่านที่ไหน ถาเราไม่รู้มันก็ไม่รู้อะไรเมื่อมีคำถามกาหนดมาไเราก็ไม่รู้อันนี้ก็เหมือนกันเราต้องเห็นนี่คือหลงหลงเป็นอย่างนี้มีรสชาติเดียวรู้เป็นอย่างนี้ถูกไปอย่างนี้สุขเป็นอย่างนี้อันเดียวทท่านั้นเองสุขก่อนเดียวทุกข์ก่อนเดียวไม่น่าจะพบวนตรงนี้ มันง่ายงายถ้าเราศึกษาโรอบเดียวรอบเดียวก็จําได้เหมือนเราศึกษาที่จำนานในการได้ค่แต่ลูกล้วก็จบไปเลยก็เหมือนมันกันอย่างชาก็รักสองรอบสามรอบถ้ามันหลงก็เออถ้ามันหลงทีหลังอืง้มถ้ามันหลงทีแรกอาจจะไม่อืดได้ ถ้าหลงสองข้ามสามข้างไปก็ อ, อ, อาจจะคิดอตอบได้แล้วเห็นกายตามกฎเป็นจริงเห็นเวทนาตามกฎเป็นจริงไม่ไปกลเหมือนเราทิ้งก้อนขวดใส่ฝาผนังไม่เหมือนทิ้งดินเหนียวใส่ฝาผนังถ้าทิ้งดินเหนียวใส่ฝาผนังมันก็ติดฝา ติดไไม่ใช่ติดเฉยๆมันเป็นคาบเป็นเปื้อนด้วยมันเป็นรอยด้วยลอยแห่งความสุขรอยแห่งความทุกข์เหมือนดินเหนียวไม่ใช่เห็นถ้าเห็นสุขเห็นทุกข์เป็นผู้เห็น่ะเพราะว่าที่เห็นเหมือนค้นกวดถึงใส่ฝาผนังนก็ตกลงที่นั้นไม่มีลอยแล้วก็สะาดก็เป็นเป็ น, เ ป, นเป็นการปฏิบัติธรรมปฏิบัติคือ ไม่เป็นไปกับอาการต่างๆเจิงจะเรียกว่าปฏิบัติถ้าเป็นสุขสุขถ้าเป็นทุกข์ทุกไม่ใช่นักปฏิบัติเลยไม่ใช่นักศึกษาเลยตรานี้ทําให้ดีๆซักหน่อยนี่เราต้องศึกษาด้วยตนเองเห็นกายเห็นใจตามความจริงมันก็มีหลงอยู่ไม่กี่ประตูเห็นกายก็หลงเห็นเวทนาก็หลงเห็นจิตก็หลง เห็นทำก็หลงไม่มากถ้าไม่หลงตรงสด่านนี้ก็ไปง่ายๆจนเห็นเป็นรูปธรรมเห็นเป็นนามธรรมที่แรกเห็นเป็นกายเห็นเป็นเปรตชนะเห็นเป็นจิตเห็นเป็นธรรมพอเห็นไปเห็นมามันก็อันเดียวคือรูปคือนามรูปธรรมนามธรรมพอเห็นรูปธรรมนามธรรมแต่แขตาดออกเขียนได้ ไปด้วยตนเองอาใส่ลำแข้งไปได้ถ้าเห็นรูปเห็นนามเราเป็นหลักสูตรรูปมันบอกนามมันบอกรูปคือกายคือสัมผัสได้ความทุกข์ก็เป็นรูปความสุขก็เป็นรูปความโกรธก็เป็นรูปความลกความชังเป็นรูปเจ็บปวดเพราะมันสัมผัสไอ้ว่ารูปอุปทายรูปถ้าเป็นรูปธรรมดาไม่มีอะไร ถาเเป็นรูปน้ำเละเออเอาล่ะบานนะแต่ขานละบะนะ้านไม่มีอะไรที่จะไม่มีคนะําตอบเลยรูปในน้ำเนี่ยรูปดนน้ำมันมีนมกองอะไรเยอะแยะกองอ่าเออต่างๆมากมายเหมือนกับเราเปิดประตูเข้าไปบ้านตึกซังหลังหนึ่งก็ปิดไว้ พอเปิดเข้าไปได้เห็นอะไรอยู่ตรงนั้นเยอะแยะบางอย่างก็ต้องเกี่ยวข้องกันพอสมควรบางอย่างก็เช่นเห็นตุกแกเห็นงูเห็นกิ้ลลอกกิ้ลใจอยู่ในตึก บ, บ้านเรามันก็วิ่งหนีได้สัตว์บางประเภทในกองลูกกองน้ําก็เหมือนกัน บางอย่างไม่ต้องไปทําอะไรมันหนีไปเองบางอย่างก็ต้องจับไม่กวดไปปัดไปกวดว่าเพราะมันมันเป็นเจ้าของความหลงเป็นเจ้าของความรักเป็นเจ้าของความชังเป็นเจ้าของความสุขความทุกข์เป็นเจ้าของความหลงเป็นเจ้าของมานานเหลือเกินเมื่อเรารู้ ไปๆก็ย่อมย่อมเป็นภาระสักหน่อยแต่ว่ายังไงงก็ไม่จริงความหลงไม่จริงความรู้จริงกว่าความทุกข์ไม่จริงความไม่ทุกข์จริงกว่าความโกรธก็ไม่จริงความไม่โกรธจริงกว่าเรไม่มีคําถามแล้วถ้าเราเห็นของจริงแล้วของจริงมันบอกอย่างนี้ไม่มีคําถามเรก แม้แต่ความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความมาช่วตัวตนมันก็จริงแบบนั้นมันจริงแบบไม่เที่ยงมันไม่จริงแบบเที่ยงความเป็นทุกข์ก็จริงแบบเป็นทุกข์มันไม่จริงแบบไม่เป็นทุกข์ความไปช่วยตัวตนก็จริงแบบความไปช่วยตัวตนมันไม่จริงแบบเป็นตัวตนเราไปยึดไมาได้เราเคยเป็น เราเคยหลงผู้ไม่เที่ยงเราเคยหลงรูะคมเป็นทุกข์เราเคยหลงผูะคนคะคมไม่ใช่ตัวตนวานนี้มีฉลาดตรงนั้นมีปัญญาตรงนั้นฉลาดตรงเท่าันหลงฉลาดตรงเท่มันโง่พวกโง่ถ้ามาเกิดความฉลาดโง่เคยอครเตัวไม่รู้มันก็มีเท่านี้มีตัวหลงมีสภาพหลงมีสภา พ, ภาพรู้ ไม่ใหญ่ไม่หลายไม่มากตั้งต้นเหมือนกับทางแยกสามแผงไม่เกินสี่แผงสุขเวทนาทุกเวทนาอาทุกกับมรุสุขเวทน า, ท า, นาอะ ส, สามแผงใช่ไหมฮะปุญญาพิสังขารอปุญญาพิสังขารอเนรชาพิสังขาร ม่สามเพกุจล ธ, ธรรมะอกุจลธรรมะอภิญญาการธรรมะสามอยม่ามุกใช่ไมแล้ว <laughs> ก็มีสามเพียงสามเพียงกุจลธรรมะคือกุศลอคุจลธรรมะคืออกุศลอภิญากตรธรรมะยังไม่เป็นกุศลยังไม่เป็นอกุศลพ้อมที่เป็นกุศลพรมที่เป็นอกุศล จะไปทางกุศลก็ไปจะไปทางกุศลก็เลยจะเห็นปัจจัยปุญญาพิสังขารอาจจะไปใจดีสักหน่อยอปุญญาพิสังขารใจร้ายสักหน่อยอเน้นชาพิสังขารยังไม่ดียังไม่ร้ายความจะดีจะร้ายใช่ไหมไม่มั่นใจตั <laughs> <laughs> นี่เลยว่าสี่สามสามแพ้ละถ้าเรามีสติเอ้ามันก็อยู่ในนี้มันดีใจเห็นความดีใจ มันเสียใจเห็นความเสียใจมันโศกเห็มันโศกมันทุกข์เห็มันทุกข์สภาพที่รู้ตัวเนี่ยอันเดียวเท่านั้นเรีลวอดหลักเลือดฐานเลือกกรรมฐานตั้งตั้งไว้อย่างนี้มันไม่หนีไปไหนหรอกอย่าไปหาบางคนทํากรรมฐานหาจะเป็นอย่างนั้นจะเป็นอย่างนี้ คิดว่ามันจะเป็นอย่างนั้นคิดว่าจะเป็นอย่างนี้เกี่ยวกื่นที่ยินคนอื่นพูดก็ยิ่งทําให้เราชวนคิดเหฝังกันออย่าไปทาแบบนั้นเห็นต่อหน้าต่อ ต, อ ต, อตาเนี่ยเคลื่อนหไอยมือเคลื่อนไหวแม่ๆนี่คือของจริงให้เห็นตัว น, นี้อันของคนอื่นเป็นของเขาของเราก็คือลูกคือหลงอยู่นี้มันเราเรียนก็ไก่ก็เขียนก็ไก่ไป เขียนเป็นแล้วก็ไม่ต้องเขียนเรียนต่อไปเรื่อยๆไปพอรู้เห็นตัวรู้มันหลงเห็นสภาพที่หลงตัวรู้อันเดียวกันไปเห็นตัวหลงก็คือรู้เห็นตัวรู้คือรู้เห็นตัวสุข ก, ก็คือรู้เห็นตัวทุกข์ก็คือรู้ค่ะไม่ใช่อันอื่นเป็นอันเดียวไปเป็นตัวเฉลอยอ่ะมันทุกข์มันไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวตน อย่าให้ควาไมไปเที่ยงมันจะิ่งใหญ่ในควาไมไปเที่ยงอย่าให้ความเป็นทุกยิ่งใหญ่ในความเป็นทุกมันมายิ่งใหญ่ก็ะชิกบกระจ้อยนิดเดียวถ้าเห็นแล้วนิดเดียวถ้าเราไม่เห็นก็เส้นผมบงผูเขายิ่งใหญ่ต่อจากควาไมไปเที่ยงเยอะแยะไปเลยปั๊บ ไม่ขีดก้านเดียวไม่เมืองทั้งเมืองได้อันกควรมาเที่ยงก็ไม่ทุกข์ผมไปกันใหญ่แทุกข์ที่ตัวเองก็ทุกข์กับคนอื่นพานคนเดินพานเจองูอื่นไปได้มาเกิดขึ้น ใ, นใจนิดหน่อยแต่เราไม่รู้ก็เรามารู้หรอกโอ้ปฏิบัติธรรมคือนี้ของจริงคือนี้ ก็ไม่เที่ยงเห็นใครใครก็เห็นได้ก็ไม่เที่ยงเพราะมันไม่ลี้ลับมันเปิดเผยก็เป็นทุกข์ก็ไม่ลี้ลับมันเปิดเผยเนี่ยเห็นอย่างนี้เห็นความเที่ยงได้ว่าเห็นเป็นเหมือนวิเจ้าในพวกว่าการเห็นเป็นสมถะการทําให้แยง เห็นวมมาเที่ยงคือกวามาเที่ยงเป็นวิปัสนาสมัชฌะคือตั้งใจรู้สึกตัวเป็นสมัชะถ้าไม่ดูก็ไม่รู้ถ้าไม่รู้ก็ไม่ดูก็ไม่เห็นแล้วปล่อยไม่มีที่ตั้งไม่ได้เมื่อเราจะดูแล้วต้องมีที่ตั้งเราจะดูกายรู้ที่กายไปถ้าดูไปดูไปเห น, นั้นกับว่ามันทำให้ดู รู้ไหมอาจจะไม่ค่อยรู้เท่าไหร่อาจจะหลงมากก็รู้ไม่เป็นไรขาให้ขยันรู้ไวมันเป็นไปได้ปฏิบัติได้ให้ผลได้เป็นอัศจรรย์ชีวิตเรานะ่ะอย่าอย่าไปเอายากอย่าไปเอาง่ายการศึกษาเรื่องชีวิตเรานะ่ะอย่าไปเอาง่ายอย่าไปเอายาก ถ้าไปเอาได้ไปเอาไม่ได้มันมาใช่ศึกษาศึกษาชีวิตนะครับว่ายากไม่มีคําว่าง่ายไม่มีคาว่าได้ไม่มีคำว่ า, าไม่ได้ไม่มีนี่จะเห็นเฉยเนี่ยนี่จะเห็นเฉเห็นแล้วอยากเข้าไปเป็นเนี่ยอันเป็นมันยากกว่าเห็นนะลองดูถ้าเป็นเนี่ยยากหนักถ้าเห็นแล้วก็เบาๆหรอกหน้าตาก็ไปโบดบึง้ง ถ้าคนยากรู้หน้าตาก็รู้เหมือนกัหนักอะไรต่างๆแค่เวลาเราสร้างตัวรู้เนี่ยบางคนก็เหมือนกับยุ่งกับยากหัวฟัดหัวเบียงถ้าเราทําดีๆไม่ไม่ยากเลยๆอ่าถ้าถ้าเห็นน่ยง่ายๆถ้าเป็นเรายากเสนหน่อยหนักเสนหน่อยแล้วก็หนักหรือว่าทุกขาปฏิบัติทาทันทัปปิญญาปฏิบัติลําบากรู้ได้ยาก ทำของเบาให้มันหนักทำของง่ายมันยากมันจะยากอะไรถ้าเราทำาด้ทีไม่ว่าทำอะไรล่ะถ้าตั้งต้นความยากความง่ายความได้การเสียการผิดการถูกจะมีปัญหาความผิดก็ใหญ่ความถูกก็ย่อยพอใจในความถูกไม่พอใจในความผิดพอใจในความได้ไม่พอใจในความไม่ได้มันไม่ใช่ปฏิบัติธรรมมันเป็นลด การเดียบธรรมเนี่ยเอาเลยลือถอนมันจริงจริงจะเป็นมรรคเป็นผลที่สุดก็คือสุญญตาธรรมคาถาสุดยอดคือ <c oughs> จะเพธทังมานาลังไอพิษใวใบสายะทำทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นเป็นคาถาเอาไปมาสับเพสังาราดรจาติ ยาาปัญญายาปจัจติเมื่อใดบุคคลเห็น ด, ด้วยปัญญาว่าสังขารตั้งปล่องมาเที่ยงเมื่อนั่นย่อมหน่ายในสิ่งที่เป็นทุกข์ที่ตนหลงนั่นแหละเป็นทางให้พ้นผ่านเบื่อหน่ายในความเป็นเป็นผู้หลงเป็นผู้รู้ถ้าเป็นเรามันก็มีรสชาติไม่อิ่มเป็นไม่มีใครอิ่มในความเป็น สุขก็มาอิม่มทุกข์ก็มาอิม่ม <c oughs> ถ้ามาอิ่มแล้วมันไม่สุขไม่ทุกข์มีรสชาติในความสุขเป็นรสชาติในความทุกข์เยอะดว้วยนอนกอดของความทุกข์นอนกอดความสุขบางทีก็สุขแต่ว่าสุขเนี่ยเป็นสังขารทุกข์ก็เป็นสังขารถ้าไม่สุขไม่ทุกข์เป็นวิสังขาร มันจะยากอะไรวิสังขารคือนิพพานสังขารคือสุขคทุกข์แม่ตะบุญก็เป็นสังขารบาปก็เป็นสังขารอาปุญญาเป็นสังขารอันเนจาร์เป็นสังขารถ้าเหนือตรงนี้ไปสักหน่อยนะมันจะเป็นอะไรเหมือนเราเป็นโลกขี้กีมันคันโล ก, กเกา่าไม่ความสุขก็ไม่ได้เกา่ามันไม่ไม่มีความสุขมันติดรถ ถ้ารักษาขีกะข้นหายแล้วไม่ต้องเกา่าจะเรียกว่าสุขจะเรียกว่าทุกข์ได้อาเพราะไม่ต้องเกา่าถ้าสุขได้บรรเกา่าสมมุติเอาอันสุขอะได้อะไรก็สมมุติว่าดีเราชอบอันสุขสุขสมมุติสุขบัญญัติไม่ใช่สุขแบบมรรคผลในาน สีเหล่นสุกติยันติสีลโพกสัมมทาสีเหล่นิพุติยันติถ้าเป็นศินก็เป็นศินทุนระดับสินที่มั่งมาตรฐานสินที่ไม่มั่งมาตรฐานแล้วสินอันยิ่งสมาธิอันยิ่งปัญญาอันยิ่งเราจึงต้องโฟกัดวางทีมันม่มาตถฐานของที่เราเลือกได้เั้นเราไปซื้ อ, อตลาดนัด เลือกสินค้าผู้ไม่เคยรู้จักก็เอาแต่เพื่อตะเพิ่าางก็มาแลกไม่ใช่มาได้ถ้าคนรู้จักก็เลือกเป็นเมือนลองตาไปเจ็บแอปเปิ้ลที่ตมาดเกตที่นิวยอร์กเขาพาไปเจ็บแอปเปิ้ลพอไปก็เห็นเขาให้นั่งรถเข้าไปสวนแอปเปิ้ล แอปเปหล่นเต็มดินมีตัลูกสวยๆเขาก็บอกเราให้เลือกดูก่อนนะเคี่มดูก่อนกินได้ต้นไหนมันหวานค่อยเอาต้นไหนไม่หวานเนี่ยเอาพอไปชคียมต้นแรกก็แชบเดียร์เ <c oughs> จ็บเอาเจ็บเอาเจ็บเอาใจดุงพอไปเห็เนต้นหนึ่งกินเด็กเอ้ามันแชบกว่าต้นเที่ยงไม่ต้องปีนนะมันหล่นลงมาโดยเพราะเดือน น, น, นี่ตุลาพิกาเนี่ย กำลังจะเข้าดูหนามันรีบสุกนะหล่นเต็มเดวราไปเจ็บ เ, เราไม่เคยชีมรถแอปเปิ้ลมันสวยมางามชคีมแมันก็แซ่บดีอะพอเอาไปดูเขาชวนไปามาดู้นนี่มาดูจนนี้ไปดูจนเี่ยมอีกเอเอแซ่บอีกกว่าเก่าไปดูนน้นอีกแซ่บอีกเกท่ยิงแต่พื้แต่พื้นเฮ้อเลยมันต่างกันอยู่ อันส no right. ุกอันทุกข์นะอันไม่สุกไม่ทุกข์อันรู้อันเห็นเฉยเฉยเียมันเป็นลถพระธมอันสุกอันทุกข์ไม่ใช่ลถพัทธมรถพระธม์ย่มชนรดทั้งพวงอันสุกอันทุกข์ไม่ใช่ลดพธม์ลพทธมคือมันไม่เป็นอะไรมันรู้เฉยเฉยอนี้ลดอันนี้อมตะาฐานถาวทเป็นความ เป็นการถาวรกวับสังขารสังขารไม่ถาวรไม่เปลี่ยนได้ความสุข ก, ก็เป็นคนทุกข์ได้ถ้าเหมือนสุขเหนือทุกข์เน่ยมันจะไม่เปลี่ยนแปลงเป็นอื่นเลยนี่คือตัวสติดูดีๆนี่อยากจะโชว์เรงนี้ไม่ใช่โชว์ให้วัตถุสิ่งของให้เราดูเราศึกษาดูมีกายกายก็โชว์มีเวทนาเวทนาก็โชว์ มีจิตบัญชิดซุกสี่ลุกดลนก็โชว์มีทําที่มันค่มร้ายคมดีง่วงเอาหัวนอนจะงบปุ้งซ่านมาก็โชว์ดูเอาอย่าไปหลงตรงนี้มันฉลาดตรงนี้ผ่านตรงนี้ลือถอนตรงนี้เป็นเพลงถึงมรคนี่ผ่านเพลงก็ไม่นะัะไปสังคาราจจา สังขารตั้งเฟืองไม่เที่ยงมา่นั่นย่อมหน่าในสิ่งที่เป็นทุกข์ที่รนหลงนั่นแหละเป็นทางพระนิพพานอ้าวความหลงแท้ๆเป็นนิพพานความทุกข์แท้ๆเป็นนิพพานได้อ่าเงี่ยงหูฟังสัมผัสดูดีๆการศึกษาธรรมะเนี่ยอย่าล้มล่ำล่ำลุลี่ลุกลนเห็นอะไรดูดีๆ ถ้าดูไม่ดีไม่ติดตาไม่ติดหูหรือเหมือนกับเราไปเจ็บเห็ดเห็ดบางอย่างมันค่ายๆกันแต่เป็นเห็ดมังวเห็ดเบื่อดอถ้าดูไม่ดีเราจะอย่าด่วนรับอย่าด่วนปฏิเสธดูก่อนเห็นอะไรดูก่อนวันสุกก็ดู ดูไปรื่มามันไม่จริงความสุขมันทุกข์ก็ดูดูไปเรว่มามันไม่จริงความสุขความจริงคือเพราะว่าที่ดูนี้ที่เห็นเนี่ยสัมผัสอย่างนี้นะปฏิบัฏธรรมนันจึงพูดในความสุขโตเขาทํากันอย่างนี้นี่เป็นบผลก็ผลเกิดจากกันนี้เรียบภาวนาใหม่บุญเกิดจากภาวนาสูงสุดดลอย จึงอยากจะโชว์ล่องในอันเดินก็ทำได้อย่ให้ขอออกจากกองเดินได้แต่ว่าบุญส่วนนี้ขอไม่ได้ต้องสร้า ง, องเองอันจะรู้ตรงที่มันหลงก็รู้ตรงที่มันไม่หลงมันก็รู้ตรงที่มันทุกข์มันก็รู้ตรงที่มันสุขนั่นแหละเรียกว่าปัญญาโลภรู้ในกองสังขารเป็นปัญญาพุทธปะปัญญาแห่งการตัดจรูของพุทเจ้า เอาละวันญาก็ส่งควจ่ายเวลาเรากับพระพ่อมกัน